จุดที่มะเขวหรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพาน 1. ความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นกระบวนธรรมะฝ่ายกอ่อทุกข์อาจเรียกชื่อตามองค์ธรรมที่เป็นตัวการสำคัญว่ากระบวนธรรมะฝ่ายอาวิชชาตันหาส่วนกระบวนรธรรมะฝ่ายดับทุกข์ ก็อาจจะเรียกชื่อตามองค์ธรรมที่สำคัญว่ากระบวนธรรมะฝ่ายวิชาวิมุตติถ้าเรียกอย่างง่ายๆฝ่ายแรกคือไม่รู้จึงติดฝ่ายหลังเป็นพอรู้ก็หลุดในฝ่ายอวิชชาตันหานั้นองค์ธรรมที่เป็นคั่วต่อซึ่งพาเข้าไปหรือนำไปสู่ชาติพบก็คืออุปาทาน ที่แปลว่าความถือมั่นความยึดมั่นหรือความยึดติดถือมั่นส่วนนี้ฝ่ายวิชาวิมุติองค์ธรรมที่เป็นขั้วต่อซึ่งพาออกไปหรือเป็นจุดแยกออกจากสังสารวัตรได้แก่นิพิทาแปลกันว่าความนายคือหมดใคร้หายยากหรือหายติดองค์ธรรมสองฝ่ายนี้ มาจากคู่ตรงข้ามกันเป็นอุปาทานกับนิพิทาอุปาทานเกิดจากอวิชชาที่ไม่รู้จักสิ่งนั้นๆตามสภาวะที่แท้จริงเปิดทางให้ตัณหาอยากได้ใกล้จะเอามาครอบครองเสพเสวยและเอาตัวตนเข้าผูกพันถือมั่นถือหมายว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอุปาทาน ส่วนนิพพิธาเกิดจากความรู้เข้าใจสิ่งที่เคยยึดติดถือมั่นไว้นั้นตามสภาวะว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องไม่ปลอดภัยอย่างไรๆเป็นสิ่งที่ไม่น่าและไม่อาจจะเอาตัวเข้าไปผูกพันไว้แล้วเกิดความนายหมดความเพลิดเพลินติดใจอยากจะผลักออกไปเสียจะเห็นว่าอุปาทาน เกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชาความไม่รู้สภาวะส่วนนิพพิธาเกิดจากความรู้เข้าใจตามเป็นจริงซึ่งท่านมีสัพเพ์เฉพาะให้ว่ายะาภูตญาณทัศนะข้อที่พึงย้ำในที่นี้ก็คือการที่นิพพิธาจะเกิดขึ้นหรือการที่จะถอนทาลายป่าทานได้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ คือเมื่อรู้เข้าใจสภาวะแล้วนิพิทานก็เกิดเองอุปาทานก็หมดไปเองเป็นเรื่องของกระบวนธรรมะแห่งเหตุปัจจัยหรือภาวะที่เป็นไปเองตามเหตุปัจจัยของมันยะถาบูตยานัทสนะเป็นความรู้ขั่วต่อที่ตัดแยกยังไม่ใช่ความรู้ขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าวิมุตตยานัทสนะเป็นธรรมดาที่ว่า เมื่อยะถาภูตยานัทสนาเกิดขึ้นแล้วนิพพิทาก็จะเกิดตามมาเองบางทีเราสอนกันว่าจงอย่ายึดติดถือมัน่นหรือว่าอย่ายึดมั่นกันไปเลยหรือว่าไม่ยึดติดถือมั่นเสียเท่านั้นก็หมดเรื่องพุทธพจน์หนึ่งที่อ้างกันมากเกี่ยวกับความไม่ยึดมัน่นคือสัพเพ ธ, ธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลว่า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 การสอนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีและควรสอนกันแต่พร้อมนั้นก็ต้องระลึกถึงหลักการที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วยคือจะต้องพยายามให้ความที่จะไม่ยึดมั่นนั้นเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามทางแห่งกระบวนรธรรมะมิฉะนั้นก็อาจกลายเป็นการปฏิบัติผิดพลาดและมีโทษได้โทษที่จะเกิดขึ้นนี้คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น การปฏิบัติด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนั้นยอมก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกับการกระทำด้วยความยึดมั่นโดยทั่วไปสมมุติว่ามีห่อของอยู่ห่อหนึ่งห่อด้วยผ้าสีสวยงามเรียบร้อยเป็นอย่างดีวางไว้ในตู้กระจกที่ปิดใส่กุญแจไว้ชายผู้หนึ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าในห่อนั้นมีของมีค่าเขาอยากได้ใจจดจ่ออยู่ แต่ยังเอาไม่ได้เขาพวักพวบนวุ่นวายอยู่กับการที่จะเอาของนั้นเสียเวลาเสียการเสียงานมากต่อมามีคนที่เขานับถือมาบอกว่าในห่อนั้นไม่มีของมีค่าอะไรไม่น่าเอาและการที่เขาอยากได้อยากเอาพวงวุ่นวายอยู่นั้นไม่ดีเลยทําให้เกิดความเสียหายมากใจหนึ่งเขาอยากจะเชื่อคําบอกของคนที่นับถือและเขาก็เห็นด้วยว่า การผวงวุ่นวายอยู่นั้นไม่ดีมีโทษมากแต่ลึกลงไปเขาก็ยังเชื่อว่าคงต้องมีของมีค่าเป็นแน่เมื่อยังเชื่ออยู่เขาก็ยังอยากได้ยังเยื่อใยยังตัดใจไม่ลงแต่เขาพยายามข่มใจเชื่อตามคนที่เขานับถือและแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าเขาเชื่อตามเห็นตามคําของคนที่เขานับถือแล้วเขาจึงแสดงอาการว่า เขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเอาของห่อนั้นสำหรับคนผู้นี้ถึงเขาจะยืนตะโกนนั่งตะโกนอย่างไรอย่างไรว่าฉันไม่เอาฉันไม่เอาใจของเขาก็คงผูกพันก็เกี่ยวอยู่กับห่อของนั้นอยู่นั่นเองและบางทีเพื่อแสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าเขาไม่ต้องการของนั้นเขาไม่อยากได้เขาจะไม่เอาของนั้น เขาอาจแสดงกิริยาอาการที่แปลกๆที่เกินสมควรอันนับได้ว่ามากไปหลายเป็นพฤติกรรมวิปริตไปก็ได้นี่เป็นตอนที่หนึ่งต่อมาชายผู้นั้นมีโอกาสได้เห็นของที่อยู่ในห่อและปรากฏว่าเป็นเพียงเศษผ้าเศษขยะจริงตามคำของคนที่เขานับถือเคยพูดไว้ไม่มีอะไรมีค่าควรเอาเมื่อเขารู้แน่ประจักษ์กับตัวอย่างนี้แล้ว เขาจะหมดความอยากได้ทันทีใจจะไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดจะเอาอีกต่อไปราวนี้ถึงเขาจะพยายามบังคับใจของเขาให้อยากได้ข่มฝืนให้อยากเอาถึงจะเอาเชือกผูกตัวติดกับของนั้นหรือหยิบของนั้นขึ้นมาร้องตะโกนว่าฉันอยากได้ฉันจะเอาใจก็จะไม่ยอมเอาต่อจากนี้ไปใจของเขา จะไมมาวกเวียนติดข้องอยู่กับหอของนั่นอีกใจของเขาจะเปิดโล่งออกไปพร้อมที่จะมองจะคิดจะทำการอื่นๆได้อย่างเต็มที่สืบไปนี้เป็นตอนที่สองความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งเปรียบได้กับพฤติกรรมของปุถุชนผู้ยังมีความอยากและความยึดอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานเขาได้รับคำสั่งสอนทางธรรมะว่า สิ่งทั้งหลายที่อยากได้มั่นหมายยึดเอานั้นมีสภาวะแท้จริงที่ไม่น่าอยากไม่น่ายึดและความอยากความยึดถือก็มีโทษมากมายเขาเห็นด้วยโดยเหตุผลว่าความอยากได้และความถือมั่นไว้มีโทษมากและก็อยากจะเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายที่อยากได้ล้วนมีสภาวะซึ่งไม่น่าฝันไปใกล้เอา แต่ก็ยังไม่มองเห็นเช่นนั้นลึกลงไปในใจก็ยังมีความอยากความยึดอยู่นั่นเองแต่เพราะอยากจะเชื่ออยากจะปฏิบัติตามหรืออยากแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางธรรมะนั้นเขาจึงแสดงออกต่างกระทาการต่างๆให้เห็นว่าเขาไม่อยากได้ไม่อยากยึดไม่คิดจะเอาสิ่งทั้งหลายที่น่าใครน่าพึงใจเหล่านั้นในกรณีนี้ ความไม่อยากได้ไม่อยากเอาหรือไม่ยึดติดของเขาไม่ใช่ของแท้จริงที่เป็นไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติเป็นเพียงสัญญาแห่งความไม่ยึดมั่นที่เขาเอามายึดถือไว้เขาก็ใจความหมายของความไม่ยึดมั่นนั้นอย่างไรก็พยายามปฏิบัติหรือทำการต่างๆไปตามนั้นความไม่ยึดมั่นของเขาจึงเป็นเพียงความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น และการกระทำของเขาก็เป็นการกระทำด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นการกระทำเช่นนี้ย่อมมีโทษคืออาจกลายเป็นการกระทำอย่างเสยแซงหลอกตนเองหรือเกินเลยของจริงไม่สมเหตุผลอาจถึงกับเป็นพฤติกรรมวิปริตไปก็ได้ความเทียบเคียงในตอนที่สอง เปรียบได้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามธรรมดาแห่งกระบวนธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นไปเองตามเหตุปัจจัยคือเกิดจากความรู้แจ้งประจักษ์ตามหลักการที่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมแล้วผลก็เกิดขึ้นเองจําเป็นจะต้องเกิดถึงฝืนก็ไม่อยู่คือเมื่อรู้สภาวะของสังขารทั้งหลายแท้จริงแล้วจิตก็หลุดพ้นหมดความยึดติดเอง ถามว่าถ้าอย่างนั้นอกุชนเมื่อ ย, ยังไม่เกิดญาณทัศนะจะพยายามปฏิบัติตามหลักความไม่ยึดติดถือมั่นบ้างไม่ได้หรือตอบว่าได้และควรอยู่เพราะเพียงมองเห็นโทษของความยึดมั่นก็นับว่าเป็นประโยชน์แล้วแต่ข้อสำคัญจะต้องมีสติรู้ระลึกไว้ว่านี้เราอยู่เพียงในขั้นของความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเท่านั้น เมื่อจะทำอะไรอาจบอกตัวเองว่าเราจะทำการนี้ด้วยความไม่ยึดมั่นพร้อมนั้นก็ระลึกไว้ด้วยว่าเราจะทำไปตามเหตุตามผลไม่หลงไปตามความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนั้นพยายามทำการด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุดเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการกระทาที่เป็นคุณผลดีที่จะได้ในระดับนี้ก็คือ เป็นการฝึกตนเป็นการปูพื้นฐานสำหรับความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงต่อไปและผลเสียจากการกระทำที่เลยเถิดเกินไปหรือมากไปหรือหลอกตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจผิดเห็นไปว่านี่ยหละคือความไม่ยึดมั่นก็จะผิดพลาดเกิดผลเสียได้ทันที ความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนี้มีใจมีเฉพาะในด้านดีเท่านั้นมีตัวอย่างผู้จะเอาไปใช้ในทางชั่วร้ายด้วยเช่นผู้ที่พูดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนชีวิตคนเป็นเพียงขันห้ามาประกอบกันเข้าไม่มีอะไรจะพึงยึดถือไม่มีในกอไม่มีในขอเมื่อไม่ยึดติดถือมั่นแล้วจะฆ่าจะฟันใครก็ไม่มีบาปดังนี้เป็นต้น นี่คือตัวอย่างของการที่ผู้มีกิเลสยกเอาสภาวะธรรมขึ้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำด้วยความยึดติดถือมั่นของตนถ้าไม่มีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆ่าถ้าไม่มีเจตนายึดมั่นที่เจาะจงมุ่งร้ายต่อเป้าของการกระทำจะมีการยกสตราวุธขึ้นตัดผ่าหรือพุ่งใส่ได้อย่างไรการกระทำอย่างนี้ เป็นเพียงการกระทำด้วยความยึดติดถือมั่นอย่างรุนแรงเท่านั้นเองอันหนึ่งขอย้อนไปกล่าวถึงความเทียบเคียงข้างต้นความจริงระหว่างความเทียบเคียงสองตอนข้างต้นนั้นยังมีตอนแทรกกลางได้อีกตอนหนึ่งกล่าวคือชายผู้อยากได้ห่อของที่เขาเชื่อว่ามีของมีค่านั้น เมื่อคนที่เขานับถือบอกเขาว่าในหอนั้นไม่มีของมีค่าอะไรมีแต่เศษผ้าเศษขยะและได้ชี้แจงเหตุผลเล่าถึงความเป็นมาของหอของนั้นว่าเขาได้เห็นของตั้งแต่ก่อนเอาเข้าหอตลอดถึงว่าหอของนั้นมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไรด้วยเหตุผลหรือความประสงค์อะไรเมื่อชายนั้นมองเห็นเหตุผลแจ่มชัดตามคำชี้แจงของคนผู้นั้นแล้ว อาจเชื่อสนิทด้วยความมั่นใจในเหตุผลว่าในหอนั้นไม่มีของมีค่าอย่างแน่นอนความเชื่อด้วยความมั่นใจในเหตุผลอย่างนี้ย่อมมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของชายผู้นั้นได้มากแม้ว่าเขาจะยังไม่หมดความยึดติดถือมั่นโดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างความเทียบเคียงในตอนที่สองแต่ก็เหลือเพียงเยื่อใยที่นับว่าน้อยต่างจากความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งอย่างมาก ความเทียบเคียงในตอนแทรกนี้เปรียบได้กับระดับจิตหรือระดับความรู้และความคิดของพระอริยบุคคลชั้นต้นๆคือพระโสดาบันถึงอนาคามีซึ่งอยู่กลางระหว่างกุถุชนกับพระอรหันต์พึงอ้างเรื่องรู้แต่ยังไม่หลุดพ้นคือรู้ขั้นเหตุผลยังไม่ประจักษ์หรือยังไม่หลุดพ้นสิ้นเชิง ตามหลักพุทธพจน์ที่อ้างแล้วในตอนว่าด้วยหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุนิพพานพระอนาคามีแม้จะลาสักยะทิฏฐิได้แล้วแต่ก็ยังไม่หมดอัศมีมานะและตัณหาที่พระนีตก็ยังเหลืออยู่บ้างพูดอย่างภาษาง่ายๆว่าแม้จะเลิกวาดภาพตัวกูแล้วแต่ความรู้สึกที่ฝังลึกว่านี่กูนี่ของกู ก็ยังล้างไม่หมดตัวอย่างในชีวิตประจาวันที่พอจะเห็นได้ง่ายอยู่เรื่องนี้เช่นความประมาะและความกลัวคนที่ประมาะบางคนทั้งที่โดยเหตุผลก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะประมาะก็อดประมาะไม่ได้บางทีถึงกับโกรธว่าตนเองว่าจะประมาะไปทำไมแต่ก็บังคับไม่ให้ประมาะไม่ได้ หรือคนขาดแม้อยู่ในที่ปลอดภัยตนเองก็มองเห็นตามเหตุตามผลว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวและก็คิดว่าหรือตั้งใจว่าถึงมีอะไรก็จะไม่กลัวแต่พอได้ยินเสียงเสือร้องหรือเสียงสัญญาณภัยก็สะดุง้งหรือสันสะานหรือตัวเย็นวาบบังคับตัวเองไม่ได้ภาวะเช่นนี้มิใช่จะถอนได้เพียงด้วยความคิดตามเหตุผล แต่จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความเข้าถึง